d h a n gaccha. สมัยหนึ่งพระบรมศาสดาประทับที่วิหารเวรุวนรันการันตกานิวาป่าสถานใกล้กรุงราชครื้ครั้งนั้นนายบ้านนักเต้นลามน้ำว่าตาลบุตรตาลประจารนี่นะเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาถึงที่ประทับถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ข้าพระองค์เคยได้ยินคาของนักเต้นรำผู้เป็นอาจารย์และป า, าจารย์ก่อนๆ อ, อาจารย์และอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยกล่าวว่านักเต้นรำคนใดทําให้คนหัวเราะล่าเริงคือทาให้เขาเกิดโสมนสเวทนาด้วยคำจินบ้างคำจิงบ้างคำเพชรบ้างกลางถนนเต้นรำกลางสถาอนที่มรดศพเออหมรสพผู้นั้นเมื่อแต่กายตายไปก็เข้าถึง ความเป็นสหายของเทวดาผู้รา่าเริงในข้อนี้พระบรมศาสดาตรัสว่าอย่างไรไปถามบอกว่าเนี่ยนักเต้นลําเนี่ยนะนักร้องเนี่ยนะว่าะงั้นนะที่ไปทําให้คนเขาคลายเครียดเนี่ยให้เขาหัวเราะให้เขาเกิดโสมนัสเวทนากันเนี่ยสนุกสนานล่าเริงเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยจะทําให้ไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยแหววแหววรอบไปด้วยความสนุกสนานจะไม่มีความทุกข์จะไม่มีความเครียดเลยเพาะงั้น แม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามท่านกระทูลถามพระบรมศาสด า, สดาอย่างนั้นแล้บอกว่าข้าพเจ้าได้ยินนักเต้นล้ำเขาก็พูดอาจารย์ก็พูดอาจารย์ก็อาจารย์ก็พู ด, าาออาาพดว่านักเต้นล้ำเนี่ยทําให้คนหัวเราะทําให้คนล่าเริงทําให้เกิดโสมนัสเวทนานะในท่ามกลางในการแสดงโหดทดสอบต่างๆเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วเนี่ยเขาพูดนั้นจะตายเป็นสหายของเทวดาผู้มีความปร่าเรลิงข้อนั้นพระบรมศาสด า, สดาจะตรัสอย่างไรพระบรมศาสดาก็ค้านใช่ไหมเราห้าม ห้ามถึงสามครั้งท่านจะพระบรมศาสดาเราห้ามท่านไม่ได้แล้วอย่าเลยคำนี้ขอ้อขอพากข้อนี้ไว้เสียท่านอย่าถามข้อนี้กับเราแต่ว่าเราจะพยากรณ์ให้ท่านคาำนีเมื่อก่อนนะ่ยสัตว์ทั้งหลายยังมียังยังไม่ปราศจากราคะใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายนะ่ะไม่ปราศจากราคะอันกิเลสเครื่องผูกด้วยราคะผูกไว้ก็หมายความบอกว่า บุคคลทั้งหลายนักเต้นลารวบรวมเข้าไว้ซึ่งทำอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในท่ามกลางสถานที่เต้นลาในท่ามกลางถนนโมโหโสศสัตว์เหล่านั้นก็มากยิ่งขึ้นไปประเด็นก็คือว่าเขาไม่มีราคาก็ทําให้ราคาเขามากขึ้นคือเขาก็มีราคาอยู่แล้วแต่การกระทำของพวกเธอเนี่ยไปเพิ่มราคาเขาก็มีโทสะอยู่แล้วการกระทํำของเธอเนี่ยไปเพิ่มโทสะเขาก็มีโมหะอยู่แล้วแตการกระทําของเธอเนี่ยไปเพิ่มโมหะใช่ไหม เขาก็มีบาปอกุศลธระทมารามกผูกไว้อยู่แล้วการไปแสดงของเธอท่านทั้งหลายเป็นการไปเพิ่มราคาโทสะโมหะให้มากยิ่งขึ้นนักเต้นเหล่านั้นตนเองก็ยังมัวประมาทตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อแต่กายตายไปแล้วก็เข้าไปเขาก็ต้องไปเกิดในนรกนะ่ชื่อว่าปหาสักถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้นักเต้นลามคนใดทำให้คนหัวเร้อนร่าเริงด้วยคำจริงบ้างคำเท็จบ้างถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้นะ ในท่ามกลางสถานที่เต้นราในท่ามการสถานมโหรสพต่างๆเมื่อแตกกายไปแล้วเขาเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเนี่ยนะถ้าเขาเห็นอย่างนั้นด้วยนะความเห็นของเขาเป็นมิจฉาทิฐิคือการเห็นผิดเรากล่าวคติสองประการกับบุคคลผู้แสดงปฏิกิริยาอย่างนี้ว่ามีคติสองคือกําเนิดสัตว์เดรัจฉานและก็กําเนิดสัตว์นรกและความเห็นของบุคคลเหล่านี้ก็เป็นความเห็นผิด ที่เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิพ่อปรมาศาสสดาตรัสอย่างนี้แล้วพ่อบ้านนักเต้นลามน้ำาตาลปุดนี่เนะีร้องไห้เสอืกสอกเสือดน้นําตาไหลเพ่อปรมาศาสสดาตรัดว่าคามินี้เราได้ห้ามท่านแล้วไม่ใช่หรืออย่าถามเลยเนี่ยพอพักนี้เสียเถิดอย่าถามเลยเป็นต้นขามนันีก็บอกว่าข้าแต่พระองค์โปรเจริญข้าพระองค์ไม่ได้ร้องไห้ถึงข้อที่พ่อปรมาศาสสดาตรัดอย่างนี้กับข้าพระองค์หรอก แต่ข้าพระองค์ถูกนักเต้นผู้เป็นอาจารย์เนี่ยหรือพวกนักเต้นทั้งหลายอาจารย์ของอาจารย์เน่ะล่อลวงให้หลงสิ้นกาลนานโดยแท้ถูกหลอกมานานว่างันนะถูกหลอกมานานพรางั้นล่อลวงให้หลงกาลนานนักเต้นลาคนใดทําให้คนหัวร้ะล่าเลิง้งโดยคําจริงคาเท็จเป็นต้นเหล่าเนี้เนะแตกตายทําลายไปแล้วนะเข้าถึงเทวดานะป่าหาสาเป็นต้นเหล่านี้นี่ทีนี้ประการในในเรื่องตรงเนี้ย ก็คือว่างเี้นายตาลปุตเนี่ยท่านเป็นคนมีบุญเยอะเนี่ยคนบุญเยอะยังถูกหลอกท่านสร้างบุญไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนไว้เนะบุญเก่าและเป็นคนที่จะต้องเกิดในภพสุดท้ายเลยท่านจะต้องเกิดในภพสุดท้ายเลยแต่เพราะธรรมดาปฏิสนธินะเอาแน่นอนไม่ได้เหมือนท่อนไม้ที่โยนไปบนอากาศเช่นนั้นมันเลือกที่เกิดได้ที่ไหน ฉะนั้นในกรณีในลักษณะอย่างเนี้ยถึงแม้เป็นปูดูชนอยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้กลึงให้เท่ากั น, นหัวและท้ายโยนขึ้นบรอากาศแล้วจะกำหนดได้ั้ยมันจะตกทั้งไหนเนี่ยถ้าหากว่าไม่เจอพระเจ้าก็ตกนรกจะไปเกิดพบจุดท้ายได้อย่างไงใช่ไหมต่อให้บุญมาดีขนาดไหนอ่ะเอาฉลาดอย่างไอ้สตาอ่ะถ้าไม่เจอพระเจ้าก็เป็นไงเนี่ย ก็เรียบร้อยนี่ไงใช่ไหมถ้าไม่เจอพระบรมศาสดาก็จบงานนี้เหมือนกันนะถ้าท่านไม่เจอพระบรมศาสดาก็ท่านจะตกนั่นลงเอาเอาแน่นอนไม่ได้เหมือนต้นไม้ที่คว้างไปในอากาศนายตารปุตนั้นจึงบังเกิดในตระกูลนักพ้อลํลำพอเจริญวัยก็เป็นยอดทางนาตัดศีลในการฟ้อน ล, ลามีชื่อกระชอนไปทั่วชมพูรวิวลองคิดดูดิ เขามีเกวียนอยู่ห้าร้อยเล่มเกวียนมีหญิงแม่บ้านห้าร้อยเป็นบริวารภรรยาของเขาก็มีห้าร้อยคนคือห้าร้อยเป็นเมียหมดเลยสรุปแล้วก็คือหนึ่งพันเนี่ยหนึ่งพันเนี่ยเป็นทั้งหางเครื่องเลยเป็นแล้วก็เป็นเป็นภรรยาอีกด้วยห้าร้อยโดยเดชะมากินกันทั้งครอบครัวทั้งตระกูลเลยเอา้ามีวงตีขนาดไหนไม่มีนักเต้นเป็นพันเนยังไม่เคยเจอเลย คอนเสิร์ตดังที่สุดของโลกยังไม่ถึงเลยใช่ไหมเคยมาแสดงในไทยใช่ไหมที่ตายไปแล้วเนี่ยลักษณะเนี้ยเนี่ยตะละปุตเนี่ยตะละปุตตาเนี่ยใช่ไหมตะละปุตตาเนี่ยยิ่งกว่าอีกโดยดีเนี่ยแต่นักร้องเดี๋ยนี้ไม่ฟังวาทธรรมพระพุทธเจ้าจะฟังพระธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะไม่ทําอย่างนั้นเขาจะแสดงสิ่งที่ออกจากทุกเกาจะแสดงให้คนกลัวบากกลัวกรรม ถ้าเขาแสดงนี่ไม่เป็นบาปเนี่ยก็จะไม่แสดงแบบนี้หรอกไม่โกยซับกันเป็นบ้าเลือดแล้วก็ทําบาปกันเป็นบ้าเลือดแบบนี้หรอกใช่ไม่ใช่เขาพร้อมได้หญิงบริวาร น, นั่นแหละนะหนึ่งพันคนแล้วก็เควียนอีกหนึ่งพันเล่มอยู่อาศัยนครและนิคมต่างๆนะประชาชนในนิคม น, น, นั้นๆก็พากันให้ซับแสนหนึ่งแกเขาก่อนที่ือก่อนจะแสดงเนี่ยจะต้องมีคนให้ซับแสนค่าตัวนะแสนกฐิานาณะนะ เมื่อเขาแต่งตัวแสดงหรสพกําลังเล่นกีฬาเนี่ยนะกําลังเล่นการแสดงเนี่ยพร้อมด้วยหญิงหนึ่งพันค น, นประชาชนก็จะโยนเครื่องประดับสร้อยมือสร้อยเท้าแหวนนาฬิกาต่างๆโยนให้โอ้โหเป็นแถวเป็นแนวหมดตอบรางวันไม่มีที่สิ้นสุดพวกขนาดนั้นเลยนะไม่สุดเลยไม่มที่สิ้นสุดก็คือว่าในขณะที่ออกมาเต้นขนาดไหนจะต้องเวียงรางวันโยนให้ตอลอดเวลาว่างั้นเถอะเราลองมานึกดูที่ว่าอันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะว่า คนข้างครมากอ่ะข้างครมากอ่ะคนข้างคลขนาดนักเลยยอมให้ทุกอย่างไงว่าไม่ได้วันนั้นน่ะเขาก็แวดล้อมด้วยหญิงหนึ่งพันคนเล่นกีฬาในกรุงราชคลึ้ตอนนั้นน่ยยาณเริ่มแก่กล้าแล้วปัญญาเนี่ยอัธยาศัยเริ่มแก่กล้าแล้วพร้อมได้เวลาทั้งหมดก็ไปเป้าพ่อป ร, รมศาสดะพรอบรมศาสดาก็แสดงธรรมแสดงธรรมในลักษณะอย่างนี้ท่านก็พูดถึงในแรักมาว่าเออเนี่ย ไปถามพ่อปรมศาสดาบอกว่ามีคนบอกมาไม่นักเต้นก็บอกว่าเนี่ยเขาจะได้บุญเยอะแล้วก็มีความเข้าใจอย่างนั้นมาตลอดนะว่าเขา่ยจะต้องไปสวรรค์แน่นอนว่ามีความเชื่ออย่างงั้นเนี่ยในสุดพ่อปรมศาสดาบอกว่าธรรมดาเมื่อทํากรรมชนิดนี้แล้วเนี่ยนะท่านก็บอกว่าการแสดงต่างๆเหล่าเนี้ยนะเป็นการเพิ่มเป็นการเพิ่มกรมมคุณเป็นเพิ่มการเพิ่มราค่าเพิ่มโทษาเพิ่มโมห oh ะ สรุปล้ก็คือเป็นการเพิ่มเวทนานั่นเองถ้าโสมนัสเวทนาเพิ่มขึ้นใช่ไหมหการมาราคาก็ตามนอนเนื่องในนะั้นการมาราคานุสัยใช่ไหมก็เพิ่มขึ้นถ้าโทสะใช่ไหมบางทีก็แสดงให้เขาโกรธให้เขาหงุดหงิดนะโทสะก็เพิ่มขึ้นในขณะก็แสดงเขารุ่มหลงก็โมหะก็เพิ่มขึ้นบาปอกศุศลธรรมก็เกิดขึ้นเป็นไปตามลําดับอโยมสุวรรณจริงปะเพราะเป็นการแสดงให้เขาเกิดโวเวทนานั่นเอง เวทนาก็เป็นปัจจัยแกตัณหาอยู่แล้วพระเจ้าก็เลยบอกว่าจะต้องไปตกนรกชื่อปหาสะไงปหาโสนามะเนรโยนิริยภูมิคําว่าปหาโสนามะเนรโยเนี่ยนรกที่ชื่อว่าปหาสะเนี่ยไม่ได้เป็นนรกหนึ่งต่างหากนะแต่เป็นส่วนหนึ่งของเอเวจีมหานรกโอ้ยทําให้คนบาปเท่าไหร่ ทำให้คนบาปเท่าไหร่กี่ล้านคนกี่แสนคนเศษนั้นคุณรับด้วยยิ่งคุณถ่ายทอดนะ่ะคุณยิ่งรับด้วยเอคุณถ่ายทอดนี่นะสมมติเอามานี่นะไปถ่ายทอดออกอากาศแล้วมาก็ไปพูดให้คนเกิดความโลภเกิดความเกลียดชังเอาที่ใส่ระดมปะใช่ไหมท่านทั้งหลายไอคนนั้นมันขอภัยชั่วมากมันไม่ดีไม่งาม อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกเอาที่ดูกี่คนล่ะคนนั้นก็เกิดโทสะเกิดโลภะเกิดโมหะอันนี้ก็กรรมเพิ่มกรรมนะอย่าลืมนะเอาสินันเป็นส่วนหนึ่งของอเวจี g e ในโลกกรณีที่ไปเพิ่มราคาเพิ่มโทสะเพิ่มโมหะให้สัตว์โลกเนี้ยงั้นใครอยู่ฝ่ายไหนท้อนร่วงวะสิ <c oughs> ทุกฝ่ายลงใ น, นโลกหมดนะ่ะอบายทุกขติวินอบาตใ น, นโลกนะถ้าไม่ใช่ <c oughs> ใช่ไหะ ใช่มสีของพระพุทธเจ้าอยากจะในรายเรื่องนี้นนะตรงเนี้ยนั้ น, ต ร, น, น, นตรงนี้ก็นี่ไงเข้าใจใช่ไหมมันเป็นโทษจริงๆฉันบอกว่าการพูดแล้วมันไม่ใช่เป็นการลดกิเลสแต่เป็นการเพิ่มกิเลส ก, ก็นี่ไงนี่ คือคือคืออย่างนี้ก็นั้นแน่นอนอยู่ยคแล้วคือมันอย่างเี็นนะคือมันอย่างเย็นนะว่าเอานี้ว่ากรรมตัวาอามาเนี่ยนะอามาไปกล่าวว่าทำผิดเนี่ยนะอามาเนี่ยเป็นคนกล่าวว่าทำผิดสมมติกล่าวคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมามีเจตนาบิดเบือนว่าทำคําสอนพระเจ้าปุ๊บมีเจนามอามาพล้าดแล้วยอมก็รับไป ยอมก็ไปทําผิดตามอ่ะตามเท่าไหร่อามานั้นมีส่วนรับการกระทําผิดต้องยอมด้วยเนี่ย้คนที่บรรดาคิดอย่าสอนทั้งหลายเนี่ยอันตรายอันตรายมากถ้าทําถูกกโหยบุญมหาศาลถ้าพลาดเมื่อไหร่ในตนเองเนี่ยลงเลยอาบายทุกขติวินิบาติลงแล้วจะออกอยังไงให้ธรรมาวิปลิตจะออกอยังไง นั่นก็เป็นเรื่องต้องสังวรระวังเลยถ้าอย่างนี้นึงบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องดีเลยไม่ใช่เรื่องชื่อเสียงเลยดังนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องน้อมการขัดเกลาถ่ายถอนใช่ไห ม, มเรามต้องบอกว่าเออตรงไหนผิดพลาดตรงไหนช่วยเตือนกันหน่อยนะมันอาจจะมีการหลุดประเด็นซ้ายขวาะอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าความเป็นบูโดชนเนี่ยมันจะหลุดกันอยู่เรนะื่อยเนยแต่ก็ต้องระมัดระวัง ก็ให้ธรรมาวิปปิตรกรรมเหล่านั้นก็จะเป็นปัจจัยทําให้ตัวเองได้สิ่งที่วิปปิตรเลยเไปฟัปงให้สิ่งที่วิปริตรกับเขาไปแล้วและปลูกฝังอัตฉริยะใส่เขาผลิดพลาดไปแล้วตนเองก็จะลงทิศลงทางไปที่ไปเจอพระเจ้าเข้าใจคำสอนของท่านผิดไปเรื่อยนๆนี่นะ น, นี่นนะมันก็น่านกลัวนี้กรรมเราเป็นผู้ทําตัวเองนะเบียดเบียนตัวเองนะ ไม่มีใครมาเบียดเบียนเราเลยไม่มีใครมาทบเราไม่มีใครมาทิมมาแทงเราเลยนะเราเนะี่ยทิมแทงตัวเองเบียดเบียนตัวเองกันอยู่นี่แหละนะนนมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่โหดร้ายที่สุดชอบปะทุสหชอบประหารตัวเองเลนะ่นตรงนี้ก็คือว่าปัจจุบนันคือการสืบต่อนะในกรณีในลักษณะอย่างนี้ในชั้นของอูตฐก็ดีอาหารก็ดีนะที่ไม่เหมือนกันเป็นต้านอันนี้ก็เป็นรูปอดีต รูปที่เกิดภายหลังก็เป็นรูปอนาคตไปในด้านจิตตชิรูปที่เกิดในวิถีเดียวกันชาวหน้าเดียวกันสมาบัติเดียวกันก็เป็นรูปปัจจุบันไปนะจิตตชิญรูปที่เกิดก่อนหน้านั้นก็เป็นรูปอดีตจิตตชรูปที่เกิดภายหลังก็เป็นรูปอนาคตกรรมชิรูปนี้ท่านไม่ได้แสดงประเภทอดีตอนาคตปัจจุบันก็ไว้นะเพราะว่ากรรมชิรูปเนี่ยโดยเฉพาะโดยการสืบต่อเนี่ยนั้นก็ในลักษณะของรูปธรรมทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้เกี่ยวข้องกันเนาะ ทนี้ในกรณีที่เราศึกษาในเรื่องของเวทนาเนี่ยนะถ้าในชั้นของเวทนาก็กล่าวเนี่ยถ้าดูรูปธรรมเบ็ดเสร็จมาดูในด้านของเวทนาเวทนาในการทั้งสดังกล่าวแล้วว่าเวทนาที่เป็นไปในศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่กําลังเป็นไปอยู่ในการเจริญกุศลเป็นไปอยู่ในวิถีเดียวกันเขวหน้าเดียวกันสมาบัติเดียวกันอารมณ์เดียวกันโดยเฉพาะขําเน้นอารมณ์เดียวกันเนี่ยนะเป็นเวทนาที่เป็น ปัจจุบันป่ะใช่ไหมตรงนี้มาขําเน้ยอีกครั้งหนึ่งเวทนาที่เนื่องในขณะทั้งสมเวทนาที่เป็นปัจจุบันในขณะก็มีนะเวทนาที่เกิดนะี่ยเวทนาที่ขณะเกิดที่อุปาทัศขณะทีติดขณะพังฆะ ข, ขณะเป็นเวทนาปัจจุบันยังไงอุปปันนติกาไปดูะนะนั่นแหละเนี่ยนะอุนะก็เข้าถึงขณะทั้งสามเป็นปัจจุบันก่อนหน้านั้นเป็นอดีตหลังจากนั้นก็เป็น อนาคตไปเนี่ยนะอันนั้นเวทนาทั้งที่เป็นอดีตทติปัจจุบันอดีตอนาคตอย่างนี้เขาเรียกว่าแต่ละขณะจิตเลยเช่นเวทนาที่ในปัญจทวารลวชนะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นปัจจุบันก็แน่เน่ยแต่ถ้าเวทนาที่ในอตีตรพราพวะเอวังกุบเชยท้าอันนั้นเป็นอดีตเวทนาที่ในจกักขุวิญญาณ น, นั้นเป็นอนาคตอย่างเงี้ยเนี่ยก็นับอย่างนี้อาถ้าในจกักขุวิญญาณใช่ไหม มองเห็นนะพอจะมองเห็นนะพูดอย่างเงี้ยอในจักรคุยัญก็ในะเวทนาที่อุปาทัศนาทิฏฐิขณะพังค์ฆะขณะนี้เป็นปัจจุบันไปเวทนาที่ในปัญจทวาระชนะเป็นอดีตเวทนาที่ในสัมปติชนะเป็นอนาคตเนี่ยไล่ไปเงี้ยพอจะมองเห็นไหมก็พิจารณาอย่างนี้เอามาวิจัยได้คือทําให้ความให้เข้าใจได้ตามพระธรรมคําสอนใช่ไหมใช่ไหมก็คือให้รู้จักสันติขณะใชหให้เห็นเวทนามันเกิดขึ้นสืบต่อไปเงี้ย เวทนาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วที่อุปาทัคณาภังคาขณะทีฏิขณะของพระวังคูปเฉทะแล้วก็ดับไปแล้วต่อมาในปัญจทวารเลชนะเวทนาก็กําลังเกิดขึ้นกําลังตั้งอยู่และกําลังดับไปในปัญจทวารเลชนะต่อมาก็ดับไปแล้วกับเวทนามาเกิดร่วมกับจักขูวิญาณที่อุปาทัคณาทีฏฐิขณะภังคาขณะไหมในในจจักขูวิญาณในสัมปติชนะสันติรานาวธฒภะณชาณะดวงที่หนึ่งสองสาห้าตัธารมณะ หนสองแล้วก็ลงประวังต่อไปเห็นเวทนาก็จะมีทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นไปอยู่ในวิถีอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกนับอุบ ป, ปลาขนาดนับขณะเล็กนี่เขาเรียกขณะปัจจุบันของเวทนาแต่ละขนาดจิตแต่ละขนาดจิตใช่ไหมไม่ได้นับการสืบต่อถ้าปัจจุบันโดยการสืบต่อก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นับยังไง อ้าถ้าศรัทธายังเป็นโลดแล่นอยู่จะกี่ร้อยวิถีก็ว่าไปเหอะเพราะอารมณ์ยังไม่เปลี่ยนน่ะนะแล้วยังมีศรัทธาเป็นไปอยู่เนี่ยอ้าเป็นปัจจุบันเลยบางคนเข้าสมาบัตนานนานใช่ไหมอ้าวทศฟังธรรมเนี่ยเกิดศรัทธาตั้งมั่นไปในพระธรรมคาสอนของพุธทธเจ้าตลอดเป็นปัจจุบันไหมโยงจีร ะ, ระพล อ, อย่างนี้เป็นปัจจุบันป่ะนะอย่างนี้ก็เป็ปัจจุบันแต่สืบต่อใช่ไหม แต่ก่อนหนะ้านั้นที่ยังไม่มีศรัทธาเกิดนั้นเวทนานั้นก็เป็นอดีตลังเพราะศรัทธาหายไปแล้วไม่ยอมเกิดสัทีท น, นี่ก็เป็นเวทนาอนาคตเลยเนี่ยที่จะเกิดในอนาคตอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปงี้ก็นับนะี่งนับอกุศลจิตวิบาทเป็นประมาณอย่างเงี้ยเนียอันนี้ขึ้นวิถีไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมบางคนสามารถเดินได้ยาวด้วยเนะีนี่เขาวัดกันอย่างนี้คนที่เดินกุศลได้ยาวๆอ่ะเราก็เริ่มตั้งอัตยาสายที่ เราจะเริ่มเดินกุศลจิตุบาตเนี่ยให้ได้นานที่สุดใช่ไหมเริ่มใคร่ควรเริ่มใคล่ควรให้เป็นนายยศวันนะเอาจากเริ่มจากหนึ่งนาทีโอ้โหกุศลเริ่มเดินไปนแล้วเพิ่มไปสองได้ไหมสาได้ไห้สี่ได้ไหมห้าได้ไหมขยายไปเรื่อยๆให้กุศลเกิดอย่างต่อเนื่องอะ่ะขยายจนถึง10นาทีได้ถือว่าเก่งแล้วต่อไปก็ขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะข้าวนะข้าวกุศลเดินได้เป็นชั่วโมงชั่วโมง บางค น, นงตอนนี้ยังเดินไม่เป็นเนี่ยเดินไม่เป็นแปลว่าเสียนะใช่ไหมถ้าใครสามารถเดินกุศลได้ขนาดนั้นเราชำนาญแล้วขุดถนนตัดถนนเราจะตัดถนนใช่ไหมตอนเนี้นะก็ต้องตัดให้ยาวที่สุดใช่ไหมรถถึงจะวิ่งได้ยาวตอนนี้ทางเดินกุศลของเรามันแคบเหลือเกินเนะี่ยปุ๊บหกลม้มปุ๊บหกลม้มแบเนี้ ให้กุศลนี่ไมเกิด น, น้อยอยังถ้ากุศลเกิดเอาเกิดเอาเกิดเอาเงี้ยงุ่งแล้วใช่ไหมแล้วต้องพัฒน์เดินกุศลนี่ยาวๆเป็นใช่ไหมเอาจะฝึกยังไงจะเดินกุศลยาวๆจะฝึกยังไงดีถ้าอ่านพระไตรปิฎกอ่าอย่างสมัยย้อนยีราพอนอ่านพระไตรปิฎกเก่งใช่ไหมเอาก็อ่านเอาแล้วตั้งมณสิการก่อนจะเดินด้วยกุศลและจิตแล้วเราจะทําเวทนาที่เป็นปัจจุบันน่ะ ด้วยอ่ะให้เวทนาเป็นไปก็ศรัทธาพยายามนอบน้อมพระพุทธเจ้าไปเสร็จปุ๊บเวทนาตั้งขึ้น อ, อ่านก็สังเกตใจไปด้วยไม่ได้เร่งรีบว่าจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะเร่งรีบได้เจริญกุศลในฟังทำแล้วได้ฟังทำของพระบรมศ า, ศาสดาเป็นไปตามลําดับอ่านออกเสียงเป็นไปตามลําดับด้วยอ่านเป็นไ ป, ไปอย่างเงี้ยนี่นเริ่มเดินกุศลได้ยาวแล้วเป้าหมายคือการเดินกุศลนี่ มันจะอ่านร้อยครั้งเข้าใจก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมเป้าหมายการเดินกุศลใช่ไหก็เราไม่เข้าใจมาตั้งหลายแสนชาติแล้วมันจะไปรีบขนาดไหนเรียบทำไมใช่ไหมจะรีบไปไหนเข้าใจแล้วจะเรียบไปบอกใครแต่ประเด็นก็คือว่าอย่าให้กุศลเสียใช่ไหมไอ้คิดอย่างนี้แหละมันเข้าใจ ไอ้คิดอย่างที่เคยคิดมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะมันไม่ได้ขับเน้นมโนทวารที่เป็นกุศลมโนทวารวิถีที่เป็นกุศ ล, ม, าาศลมันไม่ขับเน้นว่าแหมมันจะรู้เครียดเลยดูหนังสือวางมั่วเลยทีเนี้ยนะนั่งเครียดเลยทีเนี้ยดูไม่เข้าใจอ่ะนี่ฟังธรรมก็เหมือนกันใช่ไหมฟังธรรมก็มโนสิ ก, การ์เนี่ยเป็นกุศลจริงไหมยอมดว่าฟังให้คนลุกขนชันเกิดคุณใช่ไหะ นึาถึงคุณของภาษาสดาเน่ยเข้าใจโลกอย่างยังกโยนสวรรค์เนีไยนะให้มีความรู้สึกอย่างนั้นน่ะให้ใจเป็นอย่างนั้นจริงๆดิให้ฟังแล้วมันมืดลงมืดลงมืดลงเนี่ยมันยุ่งแล้วรู้เรื่องแล้วเี่เนี้ยกรณีแห่งเวทนาภายในเวทนาภายนอกต่างกันในเวทนาที่เกิดภายในตนใช่ไหมอาศัยตนเป็นไปอยู่เวทนาที่เกิดในภายในเนะี่ย เวทนาภายนอกก็ตรงในยะตร ง, งข้ามที่เป็นไปกับบุคคลอื่นนี้นาะอย่ารละเอียดนี้ก็ก็นับโดยชาติโดยสภาพโดยบุคคลโ ด, โ, โดยโรกิยะโดยโลกุตละในคำพิวพังท่านก็นแสดงอกุตละธรรมารถาไปต้นเนี่ยเนี่ยบอกว่าอกุศลเปรวเวทนาหยากุศลเปวเวทกุศลและอภิญากระตาเป็นเวทนาที่ละเอียดนี่ก็แยกไปแล้วเมื่อวานนี้แยกไปแล้วเวทนาหยาเวทนาละเอียดต่างกันโดยชาติ อกุศลเวทนานีก็เป็นอกุศละชาติเป็นเวทนาที่หยากกบกว่อกุศลเวทนาเพราะอะไรอกุศลเวทนานั่นเป็นเวทนาที่มีสภาพที่ไม่สงบเนื่องจากอะไรทำให้มีโทษและมีสภาพเร่าร้อนด้วยราคาเร่าร้อนด้วยโทสะเร่าร้อนด้วยโมหะมานาทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกาโนะตะบ่ทาทะจาใช่ไอะตอนนี้ถ้าสมมติหดโข ท, ท้อถอย ถีนะมิถะเดินในกระแสจิตอยู่อันนี้เวทนาหยาบไหมเนี่ยเวทนาหยาบก็รีบละเสียถ้ามันจะเกิดใช่ไหมเอ๊ะทาไมพระธรรมของพุทเจ้าก็กระทบโสตทวารนะอ้ทาไมมโนทวารมันจะปิดลงปิดลงอยู่เลยเนี่ยไม่หดหูไม่ยอมเมาอะไรเงี้ยนนั่งคิดแล้วมันเพราะอะไรมันเดินไม่ได้เใช่ไหมนี่เดินกุศลได้ไม่ยาวใช่ไหม เดินยากไหมโยมสุวนนกุศลยากไหมเพราะอะไรวิธีฝึกทำไงคือคือประเด็นอยู่ตรงว่าถามว่ายากไหมคือคือจริงๆก็คือว่าตัวตัวถีนามิธาเนี่ยถ้าในกรณีแห่งถีนามิธาเนี่ยเขาพระ อ, องค์ตรัสไว้เนี่ยบอกว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยก็หมายถึงการพิจารณา เพราะว่ากรณีแห่งหถีนมิธาเวลาเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันจะทําให้จิตหดหูทอถอยก็แปลว่าทําให้ความเพียรมันหยุดชะงักลงเข้าให้ใส่ใจธาตุสามตัวใส่ใจในอรรถาธาตุในนิกรรมธาตุและในนป ร, รารภกมธาตุอรรถาธาตุก็คือการปารบความเพียรก็คือความเพียรเริ่มต้นก็หมายความว่ า, วา ใส่ใจได้วิธีที่ถูกต้องในคุณธรรมก็คือในวิริยะสามประการเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นมันจะออกหรือมันจะลุกออกจากความเกียดข้านไม่ได้จริงไหม่หมอมันก็ลุกออกไม่ได้คําว่าใส่ใจใน น, นั้นนี่คือโยนิโสนั่นแหละคิดใช่ไหมความคิดที่จะทําให้ความเพียรเริ่มต้นเพื่อจะก้าวออกจากถีนมิธา ลุกออกจากถีน้มิถ่าก็ต้องปารบความเพียรเริ่มต้นว่าเราจะไม่เป็นธาตุจะไม่ถีน้มิถ่าเนี่ยกดขี่สรีระเราให้โค้งงอกดใจของเราให้มืดบอดใช่ไหมด้วยความง่วงด้วยความซึมเนี่ยนะให้ความคิดในลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกปลุกเล้านะโยมสวรรณใช่ไหมเนี่ยถ้าคิดอย่างเงี้ยใช่เพราะว่ามณฑิ ก, การในการที่จะก้าวออกเพราะถ้าไม่มีอารัปปธาคือความเพียรเริ่มต้นีเนี่ยมันไม่คิดออกแล้ว มันก็แช่อยู่อย่างนั้นแหละใช่ไหมก็เผลอๆก็กลายเป็นเรื่องดีไปใช่ไหมเพราะฟังแล้วมันเพลินเนี่ยฟังมันเพลินไปเนี่ยก็ปล่อยใจตกไปเรื่อยตกไปเรื่อยก็มีอาราาฐาฐาัปธาความเพียนป่ารบเบือนต้นนิกกามธาติก็ความเพียนอนันยิ่งซึ่งมียิ่งกว่าอาราาัปธาคือก้าวออกจากความเกียดค้านได้เลยคล้ายๆว่าสลัดออ ก, กได้เลยอ่ะจากความง่วงได้แล้ว ทีนี้ไม่แช่อยู่เพียงแค่นั้นไม่ประมาทอยู่เพียงแค่นั้นก็มีป ร, รารภมธาตุความเพียรที่ยอดเยี่ยมที่มีกําลังมากกว่านี้กรมธาตุในสังยุตกล่าวอย่างนี้ในกคำพีสังยุตนอกจากวิธีของโยนิสมนสิการตามหลักสงสติปัฏฐานแล้วในกคำพีของชั้นอัตถาของสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านกระบุทูทำนะวิธีการละถีนะมีท้าว้6ประการเนี่ยนี่ ในหกประการก็คืออติโพชเนนิมิตะคาหโหโพชเนมาตัญยุตากำหนดรู้การบริโภคอาหารเกินประมาณด้วยนี่ไปกินกันเรื่อยเดี๋ยวก็ไปเบรกกินเรื่อยเนี่ยตรงเนี้ยว่ากลับมาก็ามันนั่งทำให้อาจารย์จะต้องบรรยายเรื่องทีน้ำมิ t h อยู่เรื่อยเลยเนี่ยนะเียเราก็ไม่รู้กำหนดโพชนะกันเลยเนาโพชนะบางอย่างมันทำให้หนักใช่ไหมใช่ไม่ใช่ ถ้าโภชนาบางอย่างเนี่ยมันไม่เป็นปัจจัยกรถินะมิถ้าเราก็บริโภคโภชนาอย่างนั้นสิแล้วก็อย่าทำให้มันเป็นมันเกินไปใช่ไหมขันบอกว่าถ้าสี่ถึงห้าคำจะอิ่มไม่เรียบดื่มน้ําตามอันนี้มันจะพออยู่ได้ร่างกายมันจะเบาเวลานั่งเรียนจะไม่หลับใช่ไหมอย่างนี้ก็มานั่งหลับในเวลานั่งฟังพระธรรมจริงไหมนี่ก็เป็นอย่างนี้นี่กําหนดโภชนาะนี่ฉลาดในการกําหนดโภชนาะ ว่าที่จะเป็นคุณเป็นโทษต่อธรรมนีร่างกายนี่เป็นปฏิปักษ์หรือเป็นคุณต่อการศึกษาพระธรรมอริยปัฏฐานี่นะก็คือการเปลี่ยนิยาบทถ้านั่งฟังธรรมแล้วหลับก็ยืนฟังดิใช่ไมขออนุญาตยืนฟังธรรมได้ไป่ได้หรอกใช่ใช่แล้วก็บอกเพื่อนร่วมฟังธรรมท่านทั้งหลาย ถ้าผมเกิดง่วงขึ้นมาบาปอกุศลธรรมอัลาโมกเกิดในใจแล้วผมจะยืนนะครับใช่ไหมพอยืนขึ้นมาปุ๊บเราก็เตือนตัวเองวันนี้เพื่อนรู้เราหมดแล้วว่าบาปเกิดทําไมไม่รีบละเล่าอะไรเงี้ยนะมันก็จะถอนได้มันก็จะละบาปได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เราไม่กล้าสารภาพบาปด้วยวิธีการกระทำใช่ไหมพระก็ทํากันอย่างเงี้ยพานเวลาเดินไปบินบถ้าบาปเกิดท่านจะยืนหยุดใช่ไหม พอยืนอยู่นิ่งๆท่านต้องเตือนตัวเองเนี่ยเขารู้หมดแล้วเนี่ยเขาตามมาเนี้ยอย่ามายืนแช่อยู่นี่ละารีบเดินต่อสักทีจะเดินต่อก็ไม่ได้บาปก็เกิดเพราะบาปกเกิดก็เป็นปัจจัยแก่กายกรรมที่เป็นบาปอีกใช่ไหมอยู่นิ่งๆมันยังบาปทางมโนกรรมอย่างเดียวนะแต่ไปเดินออกไปในกาย ก, ายกรรมก็พลอยเป็นบาปมาด้วยเป็นกายทุจริตเขาอีกพราคิดด้วยจิตที่เป็นบาปอย่างเงี้ยนะก็วิธีคิดอย่างนี้เป็นวิธีแก้ไขปรับปรุงขัดเราแล้วนั้นนลย อาจาบอกว่าวิธีไปเข้าห้องกรรมฐานเนี่ยมันให้สอนกันละเอียดอย่างนี้ไหมละ่ะวิจัยอย่างนี้ไหมถ้าวิจัยอย่า ง, งนี้เนี่ยใช่ใช่ไหมถ้าวิจัยอย่างเนี้ยใช่เอาที่ถ้าบอกว่าถ้าจะเดินเนี่ยให้เดินจงกรมเนี่ยบอกว่าอัาบาปเกิดล่ะคุณหยุดเฉยอยู่เนะี่ฆ่าบาปให้ได้ก่อนนะคุณค่อยเดินต่อคุณจะเดินได้บาปคุณจะไปเจริญบาปหรือไปเจริญสิกขาสาม ใช่ไนั่งอยู่เนี้ยบาปเกิด อ, อย่างเงี้ยจะทำยังไงทันะเกเจริญ า, าจะทำาไงดีถ้าบาปเกิดทํางไงเนี่ยบางทีนั่งไม่ไหวต้องใช้มือค้ำคอแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วอันนี้มันแสดว่ายุ่งแล้วยุ่งแล้วก็สลีละก็ยังเก็บไม่อยู่แล้วใช่ไหมได้ นอนนี่มันก็ไม่ได้หลับนะนอนไม่ค่อยไว้ใจเออยหมดนอนเนี่ยใช่ไหมนอนทีไรมักจะได้เรื่องส่วนก็อโรกมกามานสิการนะอารมกาสัญญามานสิการโรก็คือมานสิการแสงสว่างอ่ะทั้งภายในและภายนอกนั่นเองอภกษาอาวาสุก็อยู่ในที่โล่งแจ้งกริยานามิตรกับครบกริยานามิตร คบพระมหากระสม์นั่นแหละไปอ่านสูตรของท่านว่าท่านละได้ยังไงทําไมท่านไม่ค่อยนอนเลยพระมหากระสม์เนี่ยก็ท่านบำเพ็ญเนียสัชิกังฆะใช่ไหมนั่นแหละคบท่านเอาคุณธรรมของท่านมาปฏิบัติคําว่าคบท่านในที่นี้คืออ่านสูตรที่ท่านแสดงหรือที่ท่านปฏิบัติทั้งหมดดูคําที่ท่านตําหนิใครก็แล้วแต่นะนั่นแหละตามศึกษาคําสอนประวัติของท่านทั้งหมดถ้าต้องการอยากจะละทีนามิท่านเนี่ย ดูระดับผู้เพียรทุดงคุณอย่างนั้นนะ่ะนะเอามาใช้อะไรละได้อย่างเงี้ยนะทีนี้มิถะทุกวันเนะี่ยครบพระมากระสอบเป็นต้นในึ่ใครเลยไม่เห็นก็ในพระไตรปิฎกก็กล่าวไว้ไงเอาปฏิบติทาของท่านมาที่ท่านยังไม่นิพพานในฐ า, านะพระธรรมนะใช่ไหมของพระเจ้าแล้วก็สับปายากถา เวลาสนธนาก็สนธนาเรื่องในการละถีน่ะมิทะใช่ไหมถ้าเรารู้ว่ามันมีปัญหาเรื่องถีน่ะมิทะถามให้คุณคุณละยังไงทีน่ะพิทะช่วยบอกหน่อยทีวิธีการสายตยายสุดไหนโอ้สุดนี้โอดีเดี๋ยวจะลองไปสายตยายอย่างเงี้ยชัดเลยไม่เคยสนใจไม่เคยถามกันเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เอาใจอย่างแต่เนี้ยแต่เนี้ยละได้เอามาจะพูดเรื่องเวทนาเนี้ย ก็คือเวทนาหยาบเวทนาที่เป็นไปก่ากุศลทนายเพราะถีนวิทาเกิดแสดงว่าเวทนาที่เป็นไปก่ากุศลอันนี้เวลานี้ก็เอาไปไขขัดกล่าวไปไขกลวนยังไหมคือต้องละให้ได้ต้องละต้องฝึกตอนนี้ฝึกงบพอฝึกได้พอค่อยเตรียม อ, อต้องเตรียมตัวก่อน บางทีไปรอจังหวะเพื่อให้รู้ทันเนี่ยอยงที่ไม่ทันกินแล้ ว, อลวเอามาไม่ชอบใจหรอกนักลบไปฝึกในสนามลบเนี่ตายทุกไลน <c oughs> ไม่ไม่ชอบใจนักนักว่ายไอ้บอกว่าเกิดพายุมาแล้วเพิ่งไปฝึกหาดว่ายน้ำน้ำท่วมแล้วบอกไปหัดว่ายน้ำวะเขาฝึกกันมาเป็นแรงเป็นปีงั้นเ่ง อันน exactly. ี้ก็จะตายอยู mm ่แ hmm. ล yeah, right? ้วเนี่ยสติปัฏฐานยังไม่คล่องเลยเนี่ยอันนี้โอ้โหต้องคิดหนักต้องคิดหนักแล้วใช่ไหมต้องคิดหนักแล้วสติปัฏฐานต้องรีบไขว้นต้องให้ชำนาญเลยครับเพราะอะไรนะต้องให้ชำนานกลัไปเนี่ต้องกระตุ้นตัวเองแล้วไม่ได้เรื่องแล้วสติปัฏฐานยังเดินไม่คล่องยังไม่มีที่พึ่งเลยเนี่ยเนี่ยยังไม่มีที่พึ่งเลยยังไม่มีตนเป็นที่พึ่งเลยยังไม่มีตนเป็นเกาะเลยเนี่ยยังไม่มีที่เกาะเลยยังไม่มีที่พึ่งอะไรเลยเนี่ย พุทธ so? and ิยาวัตสติวัฏฐานไงเชื่อว่ามีตนเป็นกกอบมีต้นเป็นที่พึ่งไงใช่ไหมตรงนี้คล่องหรอยังอ่ะนึกไม่ออกสักข้อเลยนี่ยุ่งเลยนะอย่างเนี้ยยังแยกไม่ออกเลยเวทนาเนี่ยแยกไม่ออกเลยเนี่ยเวทนาหยาบคือเวทนาที่เป็นไปกับอุศลเวทนาที่เป็นไปกับราคาเป็นไปกับโทสะเป็นไปกับโมหะเป็นไปกับมานะเป็นไปกับทิฏฐิเป็นไปกับทีนามิธาเป็นไปกับวิจิกิจฉาเป็นไปกับหิริกาเป็นไปกับโนธปะเป็นไปกับอุเทจักพวกนี้เวทนาหยาบ เนไเวทนาเหล่านี้หยาบไม่ควรเจริญเหให้ไม่ควรทําให้เกิดขึ้นนะควรละควรละควรละถี น, นม่ท่าแล้วเวทนาที่เกี่ยวกับไิตไอเวทนาเหล่านี้ด้วยจะไหมควรละควรละกิเลสควรกาหนดรู้เวทนาและกิเลสก็ต้องกําหนดรู้ด้วยนะไม่ใช่ไม่กําหนดรู้เข้านะแล้วก็ต้องต้องต้องประหารเขาด้วยเขาต้องบอกอกุศลเวทนานั้นหยาบ ยากว่ากุศลเวทนาเพามีสภาพที่ไม่สงบเนื่องจากทําให้มีโทษมีโทษทั้งในปัจจุบันมีโทษทั้งในอนาคตด้วยและที่เรารับผลของกิเลสมากรเพาะนี้หลยเนี่ยโทษของกิเลสไงเนี่ยโทษของเวทนาหยาบนี่แหละและมีสภาพเร่าร้อนด้วยกิเลสอกุศลเวทนานั้นหยาบกว่าอัพยากตะเวทนาที่เป็นวิบากเพราะอะไรเพราะมีการขวนขวายมีการพยายามและมีผลแล้วก็มีสภาพที่เร่าร้อน จากสภาพของราคะเป็นต้นและมีโทษโหเยอะเลยใช่ไหมถ้าอยากกว่าวิบากด้วยวิบากไม่ขวนขวายวิบากไม่พยายามอ่ะวิบากไม่มีผลเป็นธรรมะที่ไม่มีผลวิบากมีสภาพที่ไม่เร่าร้อนเดิมหนากของกิเลสแล้ววิบากก็มันเป็นสภาพที่เป็นโทษของในตัวของมันอยู่แล้วแต่อันนี้มันให้โทษเนะียมันให้โทษนะเวทนาที่เวทนาเวทนาที่เป็นอกุศลที่ไปกิดอกุศลเ น, ศนี่ย อกุศลเวทนานั้นยากกว่าอัยากตาเวทนาที่เป็นกิริยาด้วยนะเพราะอัยากตาธรรมะในรวมทึ้งกิริยาจิตเป็นต้นด้วยทั้งมโนทวาราวชนะทั้งปัญจทวาราวัชนาใช่ไมทั้งกิริยาจิตของพระรหันทั้งหลายเนะเนี่ยเพราะมีวิบากมีสภาพเร่าร้อนด้วยกิเลสมีการขวนขวายขวนขวายตลอดไอเวทนาที่เป็นที่หยาบเนี่ยเวทนาอากุศลเวทนาขวนขวายตลอด จะทำนู้นทำนี้คิดนู่นคิดนี้ปรุงนั้นปรุงนี้ไม่อยู่หลักไปเรื่อยเลยจริ ง, รงไม่เหมาะคุ้นขวายตลอดเลยแหละคิดเหมือนบุญเน่ยเหมือนคิดบุญเลยอยากจะช่วยคนนั้นอยากจะช่วยคนนี้ไปแล้วโลภะเนี่ยปรัฏฐตาตัณหาเนี่ยตัณหาภายนอกอ่ะอัตตะาตัณหาตัณหาเป็นภายในก็ใช่ไหมตัณหาในเรือนทั้งหลายในเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวในเรื่องบุตรในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ทยทํายังไงจะส่งเสริมให้เขาดีให้เขาอะไนว่าตัณหาทั้งนั้น สภาพของตันหาต่า ง, า ง, างๆอะไรนี่เวทนะหยาบเกิดขึ้นดูเหมือนกุศลไม่เยวาว์วันเหมือนเปี๊ยบเลยเหมือนกุศลเลยอ่าถ้าเป็นกุศลทาไมสิกขาไม่เจริญเนี่ยดูไม่ยากเลยนะสิกขาไม่ไม่เจริญเลยนะนี่ก็ไปใค่ควรดูใช่ไหมโดยมากฮพระพุทธเจ้าจะสอนบอกว่าจรรธาพิคเวจริกังวัหชนะอิตายาหูชนะสุขายาโลกาตุกะบารยาเกพาหันแยกเ่องนั้น ดูก่อนพิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์พ้นแล้วจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบ่วงคือจากกิเลสกรรมทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ใช่ไหมแม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงเหล่านั้นดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจึงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขขอแต่คนหมู่มากก็ว่าไปตามนั้ไม่ได้บอกผู้ดูชนเลยนะบอกประโยชน์ตนนี่ใช่ไหมจงยังประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่นนี่ถึงพร้อมเน้นประโยชน์ตนคำนเน้นประโยชน์ตนก่อนเนีเอามามาบรญยายธรรมะเนี่ยมาประโยชน์ตนเป็นหลักเนะประโยชน์ตนเป็นหลักเลยนี่ประโยชน์ในการขัดเกลาตุนเองแล้วก็มานั่งปรึกษากันว่าเออเราเนีมันนับโทษประหารจะถูกประหารกันอยู่แล้วเนี่ยเราจะเข้าหลักประหารกันเนี่ยด้วยด้วยการที่เดินสติปัฏฐานใ้ชานาญยังไง นั่งปรึกษาแบบนี้นะที่มานั่งคุยเนี่ยนะนั่งสวนนานเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยท่านทั้งหลายว่างั้นนะท่านเป็นนักโทษประหารผมอาลามาเขเป็นนักโทษประหารนี่เราจะถูกก็จะเข้าถูกรอกถูกกลักประหารและถูกยิงเป้าแล้วว่างั้นแล้วตอนนี้ที่พึ่งอ่ะสติปัฏฐานชัดเจนนี่ยังอาลามาก็เลยมานั่งสนนากับพวกเราอย่างเงี้ยพวกเราก็บอกเออก็กําลังเพียนอยู่ใช่ไหมกําลังพยายามอยู่จะพยายามแค่ไหนอย่างเงี้เยเขาแย่กขาย้อนตอมาอย่างง อย่างวันพยายามไหมเอาเข้าใจทุกวันไหมคิดทุกวันไหมว่าเรานักโทษประหารใช่ไหมตื่นพอลืมตาตื่นขึ้นมาเออยังยังไม่ถูกยังไม่ถึงคิวยังไม่ถึงคิวแต่ถึงแน่วันไม่วันพรุ่งนี้ไม่ชัว่วโมงไม่ห้านาทีข้างหน้าก็ชั่วโมงหน้าไม่ชั่วโมงหน้าไปสองชั่วโมงข้างหน้าเป็นต้นอะไเนี้ยแต่ต้องถึง ใช่ไหมแต่ตอนนี้ยังพอยังพอจะฟังสติปัฏฐานศึกษาสติปัฏฐานจเจริญสติปัฏฐานได้ว่างั้นพอจะทรงจําสติปัฏฐานได้ก็รีบให้ควรเสียใช่ไหมเรามันนักโทษประหารต้องมานาสิกายานี้ทุกวันคิดทุกวันเรามันนักโทษประหารพระปรมศาสดาบอกไว้แต่คิดอย่างเงี้ยถ้าคิดอย่างเงี้มันจะห่วงอย่างอื่นไหมัมนห่วงอะไรแต่เนี้ยห่วงจเจริญสติปัฏฐานใช่ไหมว่าว่ามีมีที่พึ่งมีเกาะหรือ ย, อยัง ไม่ห่วงใครแล้วจะห่วงทําไมแล้วใช่ไหมมันต้องคิดให้ได้อย่างนี้คิดจนเข้าใจอ่ะคิดจนเข้าใจอ่ะถ้าไม่เข้าใจคิดบ่อยๆจริงไหมหมะคิดทุกวันทุกวันทุกวันทุกวั น, วนเดี๋ยวก็ปุ๊บขึ้นมาในใจเออเราไปนักโทษประหารจริงๆด้วยใช่ไหมก็เห็นคนประหารเป็นแถวเป็นแนวหมดทุกวันเนี่ยอบายาศาสถูกประหารเยอะไหมมนุษย์ก็เยอะเขาประหารกันเป็นแถวเป็นแนวหมดไม่ต้องไปพูดแล้ว ที่บางคนก็ร้องตะโกนเนี่ท่านทั้งหลายใช่ไหมใช่ไหมจงทํากรรมที่เป็นกรรมชั่วเยอะๆเราจะได้ถูกประหารเรื่อยๆใช่ไหมเดอะอาถาก็บอกกันอย่างนี้นนะเขาก็โฆษณากันทีทั้งโลกก็โฆษณากันไปที่โฆษณาชวนเชื่อไปใช่ไหมสีเอ๋ขอไปรูปนี่ดีเสียงนี่ดีกลิ่นนี่ดีรสนี่ดีสัมผัสนี่เนี้ยมก็โฆษณาไปเขาโฆษณานะว่า การเป็นน ah ah ักโทษประหารน่ะดีเราถูกประหารแล้วเดี๋ยวเราไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่ก็ถูกประหารใหม่ถูกไปเกิดใหม่ก็ประหารใหม่ไปเกิดใหม่ก็ประหารใหม่แล้วก็สร้างสิ่งที่เกิดเยอะๆเยอๆยๆเดี๋ยวก็เราก็จะได้พ้นจากที่ประหารก็คิดกันอย่างเงี้ยเขคิดผิดไงแต่ที่ไหนได้เจ็บปวดเราบอกว่าไม่เอาแล้วแต่เราจะไม่เอาคอเข้าสู่หลักประหารอีกแล้วใช่ไหมเราถูกประหารมาเยอะแล้ว ตรงนี้เวทนาเวทนาหยาบ ก, ก็เพราะอากุศลเวทนานี่แหละมันเป็นการที่ทําบาปไงใช่ไหมตรงนี้เราก็วิวจัยเห็นทุกขสัจเห็นกลุ่มตัณหาเป็นสมุทยัยสัจจะใช่ไหมเห็นเวทนาเป็นทุกขสัจจะสติสัมปชัญญะความเพียรทั้งหลายที่ไปวิจัยเวทนาวิจัยเหตุเกิดของเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นเป็นมรรคสัจเป้าหมายคือนิโรธาสัจจะใช่ไหมเพื่อจะพ้นจากหลักประหาร เพื่อจะพ้นจากหลักประหารนั้นไม่เอาเลยแห่งการถูกประหารเนี่เจ็บปวดมากตอนนี้เขาส้ำรอ ง, แ ล, นะลองรรแล้วนะเนี่ยส้ำรองประหาแล้วนะเนี่ยเอาไปทุบซะเจ็บป่วยกันหลายรอบแล้วเนะ น, นี่ยตอนเนี้ยยังมีการปล่อยออกมาเนี่ยนะแล้วกับเพลินลืมตัวลืมตัวอีกแล้วกลับมามาทําท่าลืมตัวอีกแล้วยังมานั่งคุยแหมไปผ่าตัดวางยาสลบออกมาว่า <c oughs> เจ็บมากเลยว่าแั่นั้นนะไอ้แม่มานั่งคุยอีกหมอเนี่ยไปหมอเนี่ยไปซ้อม ไปซ้อมการประหารให้เขาดีเหลือเกินเนี่ยต้องคิดหนักกว่าคนอื่นเลยหลายร้อยเท่าเลยเนี่ย